กล้องเราจะผิดปกติทันทีเพระอาจารย์หนุบตอนแรกก็คุยดีสบายครับอาจารย์ก็เมื่กี้ก็ได้คุยกับทางแม่ชีอะไรด้วยครับพระอาจารย์แล้วก็มาตั้งแต่เมื่อวานเย็นเช้าก็ได้ร่วมกิจกรรมอะไรอยงี้ครับก็มาช้าก็คุยไปรอบแล้วก็มีเรื่องสถานที่ครับพระอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์ได้เล่าเรื่องถึงสถานที่อในวัดหรือว่าในรายละเอียดในวัดนะครับพระอาจารย์คือที่นี่เดิมก็เป็นป่านะ ก็เป็นป่าทึบด้วยที่หลวงพ่อบุญธรรมอุมตมธรรมโมได้มาทุดงมาพบนะบก็ประมาณปีหนึ่งสองนะมันก็เกือบห้าสิบปีมาแล้วนะแล้ว ก, วก็ก็เริ่มเป็นสนักปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ค่อยมีพระมาอยู่มากจ <โ at S 2> นกระทั่งหลวงพ่อมัเขียนท่านมาปีหนึ่งเก้าก็เริ่มจะมีพระมาอยู่มากขึ้ น, น <ะ S 2> หลวงพ่อทั้งสองท่านเนี่ยก็ต้องการ อนุรักษ์ป่าให้เป็นสถานที่สัพปายะสำหรับการปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าสมัยนั้นเนี่ยคนจะมาน้อยเพราะการคมนาคมก็ลำบากถนนก็ไม่มีจากแก้งคร้อมันไม่มีถนนแต่ว่าก็ได้ช่วยรักษาป่าไว้พอสมควรเพราะว่าถ้าไม่มีพระไม่มีวัดเนี่ยต้นไม้ก<ด>็ถูกใช่การบุกรุกแพร่ถางทาลายก็ยาก พอมีวัดแจริงเนี่ยขอขอที่ชาวบ้านด้ด้วยอ mm hmm. จากที่ชาวบ้า น, นที่เป็นเป็นไร่ข้าวโพดเนี่ยก็ขอเป็นเขตวัดครับนะผมอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นครับแต่ว่าการที่จะรักษาป่าได้เนี่ยมันก็มีปัญหาหลายอย่าง mm hmm. ปัญหาคนบุกปลุกปัญหาคนตัดไม้ปัญหาไฟนถึงเป็นวัดก็ยังมีอยู่แล้วพระเจ้าก็มีมาเรื่อยๆจนกระทั่งระยะหลังสิบปีให้หลังเนี่ยพอมีการปลูกพอมีการทํา สร้างกำแพงล้อมรอบวัดเนี่ยก็ปัญหาก็น้อยลงต้นไม้ก็โตขึ้นโตขึ้นอันนี้คนที่มาปฏิบัติเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่นีเพราะนั้นเนี่ยสิ่งปลูกสร้างเนี่ยที่ใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีน้อยนะแต่ก็ยังมีกุฏิเล็กๆก็จะกระจายนะหรือว่ารวมมาเป็นกลุ่มๆที่ใหญ่ๆก็คือศาลาข้างหน้าครนะเอาไว้พระมา ฉันญาติโยมมาทานอาหารหอมีสารธรรมวัดเรียกว่าหอไตรนะครั บ, รรบแล้วก็มีมีลานสลรการปฏิบัติธรรมครับความสะดกสบายมีไม่มากครับเพื่อว่าให้เราได้อยู่ทํากลางารธรรมชาติครับแต่สิ่งที่ได้นะมาก็คือความสงบสมัยนี้ความสบายกับความสงบเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยกัน่ัที่ไหนสบายก็ไม่ค่อยสงบครับผมแต่ที่ไหนที่สงบก็มักจะไม่คยสบายนะ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเป็ น, นแนวทางาของหลวงพ่อคําเขียนที่จะให้ที่นี่เนี่ยเป็นสถานปฏิบัติธรรมท่านก็เลยเรียกว่าสถาบันสติปัฏฐานเพราะว่าเน้นหนักเรื่องการเจริญสติปัฏฐานครนะผมเป็นคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยครับอาจารย์มาจากความวุ่นวายมาอะไรแต่พอเข้ามาในวัดเนี่ยผมรู้สึกว่าวัดที่นี่มีความพร้อมในเรื่องของการส่งเสริมการปฏิบัติจริงๆนะครับเหมือนมีลงยิมอยู่โรงนึง แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมเลยครับเหมือนมีรานจงกกมมีความสงบซึ่งความสงบอย่างที่พระอาจารย์บอกหายากอืหายา ก, ม า, ยากมากเลยรัวไปก็ไม่ค่อยสงบแล้วครับแล้วก็อย่างที่เป็นเรื่องของผมเห็นทุกคนมาครับพระอาจารย์ก็มีการยกมื อ, อ ม, มีอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์อันนี้คือเรียกว่าเป็นวิปัสสนาหรือว่ายัางไงทุกคนต้องทําหรืออย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ผมเห็นทํำคือคถ้ามาเนี่ย ถ้ามาแล้วอยากจะสัมผัสความสงบครับผมแล้วก็อยู่กับธรรมการธรรมชาติโดยที่ไม่ไปส่งเสียรบกวนผู้คนเนี่ยครนะมาทําวัดสวดมนต์ช่วยงานวัดเท่านี้เนี่ยก็ก็อยู่ได้นะนะคือเราอยากให้เป็นที่ที่ผู้คนได้มาผ่อนคลายจิตใจครับแต่ว่าให้อยู่ภายใต้ระเบียบแบบแายของวัดอันนี้ถ้าต้องการที่จะฝึกตนให้มากขึ้นนะไม่ใช่แค่มาผ่อนคลาย นะก็มาฝึกด้วยการเจริญสติเจริญสติาการเจริญสติเนี่ยมันพูทธเจ้า ก, ก็ได้วางแบบแผนเอาไว้แล้วเรียกว่าสติประธานสีนะ่สติประธานสีนี่มีสประการข้อแรกคือให้รู้กายกายรู้กายเนี่ยก็ทําได้หลายวิธีนะครับให้รู้ว่ากายนี่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ให้รู้ว่ากายนี้เมื่อเมื่อเน่าเปื่อยมันก็คืนสู่ดินน้ำลมไฟครับนะหรือว่าให้รู้ว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวก็ให้รู้ ว่ากายเคลื่นอนไหวเช่นหายใจเข้าหายใจออกก็รู้หาจใจเข้าหายใจออกนั่นเียอันนี้เรียกอนาปานสติรหรือบางทีก็ให้ทําความรู้สึกตัวอย่างผู้เจ้าตับอะ้ให้ทองความรู้สึกตัวเวลาเดินไปข้างหน้าถอยหลังเวลาเดี๋ยวซ้ายแลขวาเวลาครองจีวรเวลาสะพายบาตรเวลาคู่ขาเหยียดขาเนี่ยคือทําอะไรก็ตามเนี่ยรวมทั้งการอุตสปัศวะการยืนเดินนัง่งนอนพูดคุยหลับนะบก็ให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวครับ คราวนี้การยกมือสร้างจังหวะนี่ก็เป็นแค่เป็นเอเรียบ ท, ที่เพิ่มที่สร้างเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เราฝึกการรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวเมื่อเวลายกมือนะไม่ต้องเพ่งแค่รู้สึกตัวรู้สึกเมื่อมือเรายกใหม่ๆเนี่ยพอทำได้คล่องแล้วเนี่ยใจก็จะลอย ไอ้ตอนที่ใจลอยเนี่ยเรียกว่าไม่รู้สึกตัว อ, อจะไม่รู้ตัวว่ามือกําลังยกไปตรงไหน <c oughs> รวมทั้งเวลาเดินเนี่ยเวลาเดินคนเราเนี่ยเดินตั้งแต่เกิดนะ เ, เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้ความตั้งใจมาเพราะเดินไปเดินไปเดี๋ยวใจลอย อ, อ แ, ลแล้วตัวอยู่นี่แต่ใจไปโน่นแล้วครับอันนี้เรียกว่าไม่รู้สึกตัวอันนี้เรียกว่าไม่มีสติสติคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นครัไอ้การยกมือเนี่ยก็เป็นการฝึกว่าเมื่อตัวอยู่นี่ก็ให้ใจอยู่นี่ครับ แต่ถ้าไม่รู้ไม่รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวเมื่อไหร่แสดงว่าใจลอยแล้วใจลอยแต่ในราเดียวกันความรู้สึกตัวรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเสียงเรียกที่จะดึงให้ให้ใจเนี่ยกลับมาครับเพราะถ้าไม่ถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะลอยไปไปเป็นเรื่องไปเป็นคู่เป็นคบายใหญ่โตนะหรือว่าบางทีจากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้จากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นเจ็แปดเรื่องเก้าเรื่องสิบเรื่องแต่พอรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวรู้สึกว่าเท้ากําลังเดินเนี่ย มันเกิดสติขึ้นมามีตัวดึงเข้ามาใช่เป็นเหมือนกับเสียงเรียกกลับมาได้แล้วนะอันนี้ก็ถ้าเราทํำบ่อยๆเราก็จะมีสติได้ไวขึ้นเราจะมีความสึกตัวได้ต่อเนื่องมากขึ้นครับซึ่งมันจะช่วยทําให้ชีวิตเราเนี่ยจิตใจเราเ่โปร่งเมาครับคนเราเนี่ยทุกข์เพราะว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบันเราไปเราทุกข์เพราะใจเราไปนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดครับทำให้เศร้าทําให้โกรธ ทำให้เสียใจหรือบางทีก็ไปนึกถึงอนาคตเที่ยงมัไม่ถึงครับเกิดความกังวลเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวครอบครัวเรื่องราคาพุ่งใช่ไหมยังไม่ถึงเลยนะยังไม่เกิดขึ้นเลยครับแต่วิตกแล้วแต่ที้เป็นปัญหาคนสมัยนี้มากคือความวิตกกังวลนะแล้วทําให้เกิดความเครียดแต่ถ้าเกิดใจเรากลังอยู่กับปัจจุบันเนี่ยโดยอาศัยการเจริญสติซึ่งมีรูปแบบแบบเนี้ตามลมหายใจด้วยก็ได้ทําได้หลายวิธีเนี่ยเราก็จะ รู้สึกตัวเราก็จะมีสเตตเราก็จะอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะพระอาจารย์คนที่เขายกมือรู้สึกตัวเนี่ยไม่เครียดนะครับบางทีเรานั่งสมาธิไปนานส่วนตัวเองบางทีก็อาจจะมีเครียดตั้งใจไปอะไรเงี้ยครับแต่รู้สึกตัวรู้สึกว่ามันมีการเคลื่อนไหวยกมือมีดึงกลับมาใหม่อะไรเงี้ยคือถ้าทําถูกจะไม่เครียดครับผมแต่ถ้าทําไม่ถูกจะเครียดทําให้ถูกก็คือว่าจะพยายามบังคับความคิดไม่คิด พยายามควบคุมจิตไม่ให้ฟุ้งครับผมวิย์ถ้าเกิดมีความต้องการแบบนี้มีท่าทีแบบนี้เนี่ยไม่ว่ายกมือสร้างจังหวะหรือว่าหลับตาตามลมหายใจก็มีอากาศก็เครียดดเท่านั้นครับบางคนเนี่ยทําใจไม่ได้ที่จิตมันฟุ้งนะอย่าให้ใจสงบเร็วเอออยากให้ใจสงบเร็วนะก็ทุกแล้ทุกที่ใจันฟุ้งแค่นั้นไม่พอพยายามบังคับจิตครับไม่ให้คิดไม่ให้ฟุ้งครับจิตเนี่ย ถ้าบังคับมันเมื่อไหร่มันจะสู้มันจะพยศมันทําให้เครียดเหมือนกันต้องไปปลุกปั้มกับหมาตัวใหญ่นะสมมติหมาเนี่ยหมาแบบลาบะดอหรือว่าตัวละเออเนี่ยโอ้มันก็อยากจะมันก็อยากไปวิ่งเต้นไปเที่ยวใช่ไหมแต่เราก็อยบังคับมันเอาไว้เราก็ก่อดมันเอาไว้ออกแรงกันเราทำที้ไปสักครึ่งชั่วโมงล้วก็เหนื่อยจริงเนี่ยมันมันมันแรงมันไวมันมีกําลังยิ่งกว่าลาบะดอตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะเพราะนี่ย อย่าไปทําอย่างนั้นครับผมมันอยากจะวิ่งก็ให้มันวิ่งไปแต่เรียกมันกลับมันรู้สึกใหม่เรียกมันกลับมาเรียกมันกลับมาครับผมใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยกลับแต่ว่าพอเรียกบ่อยๆมันจะกลับมาไวขึ้นบ่อยขึ้นทีขึ้นครับส่วนเรื่องว่ามี14จังหวะจะต้องหนึ่งสองสามหรือเปล่านี้ไม่จําเป็นใช่ไหมครับไม่ต้องบริกรรมอ๋อนี่เป็นรูปแบบนเป็นวิธีการจะทําย่อหรือแค่นี้ก็ได้ ย่อหรือแค่สองก็ได้เนี่ยพิกมือไปพิกมือมาสาระคือให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวใช่ไหมครับย่อหรือก็กระพริบเลื่อครึ่งนิ้วกระดิกนิ้วเข้าใจแล้วครับจนกระทั่งแม้เวลาเรากระพริบตากรืดน้ำลายไอ้พวกนี้เนี่ยเราก็จะรู้ได้พอดีไปอ่านป้ายพระอาจารย์นี่นิสัยไม่ดีครับผมยังว่าอ้าคนนี้ไม่ทงตาม ลำดับเราเห็นว่าคนยกยังไม่ไม่ตรงตามลำดับอ๋อจริงๆไม่ไม่ใช่ไปรูปแบบนี่ผิดพลาดแล้วไม่อยู่กับตัวนี่ก็ไปไปกล่าวกล่าวโคดในใจเขาจริงๆเป็นะเราจะติดที่รูปแบบครับผมผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใจครับแม้จะไม่มีรูปแบบเลยผู้เจ้าตอบว่าแม้กําลังนอนอยู่ครับแต่เมื่ออกุิแลจิตเกิดขึ้นครับก็ พยายามยกจิตนะออกจากกุศลจิตนั้นครันะพยายามทำให้กุศลจิตนี้ดับไปบนะทิ้ง อ, อันนี้ก็เรียกว่าทําความเพียรละครับผมเป็นการทำเคลื่อนความเพียรมาถอยที่ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมครับทั้งทั้งที่นอนอยู่ทั้งทั้งที่นอนอยู่แต่ถึงแม้จะเดินตรงกลมไปมาหรือนั่งหลับตาตัองมหายใจแตปล่อยใจฟุ้งลอยคิดเป็นโน่นคิดเป็นนี่วางแผนงานการต่างๆ จะไปเที่ยวตุรจีนนะจะถึงบุรีอันนี้เราไม่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าไม่ได้ทําความเพียรเอากินเลยปล่อยให้เหม่รอยไปเรื่อยใช่แล้วมันไม่ใี่รูปแบบอยู่ที่อยู่ที่การวางใจครับมุดว่าเราเราทำอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วผมเห็นสิ่งที่สอดคล้องกับที่พระอาจารย์กล่าวมาก็คือพอพูดถึงพระอาจารย์ไพรสารอย่างนี้นะครับก็จะนึกถึงเรื่องความตายหรือมรณะรุสติซึ่งคนให้ความสําคัญพระอาจารย์ได้ คิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาหรือว่า เ, าเกิดขึ้นมาอย่างไรครับแล้วก็เพื่อวัตถุประสองค์อะไรตรงนี้คือมรณสตินี้ก็เป็นการเจริญสติแบบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเป็นก็เรียกว่ามันเป็นอนุสติครับนะอนุสติคือความระลึกนึกถึงครับนะสติจริงๆแปลว่าความระลึกได้นะเจริญสติปฐานก็ให้อยู่กับปัจจุบันครับแต่มรณสติเนี่ยก็คือการตระหนักถึงอนาคตว่า สักวัหนหนึ่งเราต้องตายแน่ๆใช่ครับสักวันหนึ่งเราต้องตายความตายคืออนาคตแต่นึกถึงมันทําไมมันยังไม่เกิดนึกถึงมันทําไมนึกถึงมันเพราะว่าหนึ่งมันต้องเกิดแน่ครสองเมื่อนึกแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยหันมาให้ความสําคัญกับการอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดครับผมคนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของปัจจุบันใช่ไม่มแต่พอเรารู้ถึงความตายเนี่ย ทุกวันจะมีค่าทุกชั่วโมงจะมีค่าครับทุกนาทีเนี่ยเราจะไม่อยากปล่อยให้มันผ่านเลยไปเราจะแต่ที่จะนั่งเล่นนอนเล่นปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วจะไปประโยชน์หรือเอาแต่เที่ยวแต่สนุกสนานเนี่ยหรือเอาแต่ทํางานทําการเนี่ยครับมันมันไม่พอครับผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เมื่อเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตายหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทําให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุด ความหมายนี้คือหมายถึงการทําความดีครนะหมั่นสร้างสร้างสร้างบุญกุศลและขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมที่จะปล่อยวางครับเพราะสิ่งที่เรามีในวันนี้และมีในวันหน้าเมื่อความตายมาถึงก็ต้องสูญทั้งหมดสิ้นทุกอย่างและถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางเราก็จะขัดขืนต่อสู้และนั่นคือความทุกข์คือที่มาของความทุกข์ ไม่ได้ทุกข์เพราะตายนะแต่ทุกข์เพราะไม่ยอมที่จะตายไม่ยอมที่จะปล่อยอันนี้คือปัญหาคนส่วนใหญ่นะความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่ไอ้ความ<ช>ตายมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราไม่ยอมแต่ที่เราทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเมื่อความตายมาถึงแต่ถ้าเราเตรียมตัวนะ<ข>ฝึกปล่อยวางเสียแต่วันนี้<ข>นะด้วยการให้ทานสละสิ่งของนะด้วยการปล่อยวางความคิดในใจปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคต รวมทั้งต่อไปก็เรียนรู้จะปล่อยวางแม้กระทั่งร่างกา ย, กายนี้สังขาร น, นี้ครับปล่อยวางตัวตนเนี่ยการตายจะไม่น่ากลัวการตายจะกลายเป็นความสงบเป็นส่วนหนึ่งของของธรรมชาติานี่ครับ อ, อันนี้เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนอาตมาไม่ได้คิดอะไรไหใไหม่ใช่ว่าเป็นวิชาที่พระเจ้าได้สอนเป็นวิชาเป็นหนึ่งในวิชาชีวิตนะเรื่องการเตรียมตัวตายเนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิชาชีวิตที่เราต้องเรียนครับ ซึ่งน่าเสียดายว่าคนสมัยนี้ไม่เรียนเลยไม่เรียนครับเรียนวิชาอะไรไม่รู้ยิ่งยิหมดแต่วิชาชีตไม่เรียนแต่ถามว่ากลัวตายไม่พูดเล่นๆก็ยังกลัวนะครับอาจารย์เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเขาว่าความตายก็ไม่อยากพูดไม่อยากพูดใช้คำว่าหมดลมสิ้นสิ้นชีวิตจากไปไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่อะไรศพยังอยู่ทั้งนายใช่ครับผม คือพยายามเลี่ยงที่จะพูดับพังไหจิตมันเพราะว่าสัทธานเนี่ยเสียวเนี่ยเราเลี่ยงไปใช้คําอื่นที่มันดูไพเราะดูไม่คุ้นหูครั้นี้เนี่ยที่จะมาทําเนี่ยที่จะมากับเพื่อนๆช่วยกันทําเนี่ยก็คือโครงการตกลมเผชิญความตายสงบนะครับชื่อโครงการเผชิญความตายสงบอันนี้มันมันกระทบใจคนนะตั้งแต่ตอนที่เริ่มทําเพราะหนึ่ง พเรื่องความตายตรงตรงเลยสองเอ้ตายแล้วสงบได้ด้วยเหรอคนไม่คิดว่าตายแล้วสงบได้เพราะว่าเขาคิดว่าตายมันทรมานอใช่หมดลมแล้วครับแต่เราว่าทําได้เป็นไปได้และทุกคนทําได้เด็กสามสี่ขวบก็ตายอย่างสงบได้ไม่แม้ต้องเข้าวัดก็ได้ก็ตายสงบได้เพระอาจารย์มีรายละเอียดก็คือสอดแทรกยังไงในในการสอนนะครับพระอาจารย์ถึงทำให้เหมือนกับคนเขาค่อยๆยอมรับตรงนี้ได้เราก็ทํา อีกเราทำเป็นคอร์สนะสามวันสามวันอันนี้มาตรฐานบางทีก็ห้าวันคอร์สความตายเนี่ยครับแต่ปกติเนี่ยจะทำสามวันครับนะซึ่งมันจะเป็นศุกสาว์ทิตย์ก็ต้องให้ข้อมูลเขาตั้งแต่แรกเลยก็เริ่มต้นจากการที่ให้เขาได้เริ่มคิดถึงความตายของเขาครับนึกตอนแรนึกถึงความตายคนอื่นก่อนว่าคนอื่นเนี่ยเขาตายกันยังไงครับและวสองเราอยากให้เราตายแบบไหนออกแบบตายแบบไหนออกแบบก่อนเลยครับ แล้วเราก็ให้ความรู้ว่าถ้าจะตายอย่างสงบเนี่ยมันทำได้อย่างไ ร, รและอะไรทำให้ตายไม่สงบนะแล้วเราก็มีเรามีทั้งกิจกรรมเช่นการบรรยายมีทั้งการแบ่งกลุ่มย่อยและมีทั้งการซ้อมตายนะอยู่ในคอร์สนี้หมดเลยรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายนะคือนอกจากว่าเราเนี่ยจะเรียนรู้วิธีที่จะตายสงบแล้วรเราก็ ก่อนที่เราจะใช้วิชานี้กับตัวเองเนี่ยเราต้องใช้วิชานี้คนอื่นก่อนคัักนนเราไม่นนถ้าเราช่วยคนอื่นให้ตายสงบไม่ได้เนี่ย้การที่เราเราเองจะตายสงบ ก, ก็ไปเริ่มยากครับใช่ไหมครับนั้นเราก็ไปและนี่คือโจทย์ที่ทําให้ห ล, หลายคนเนี่ยมามาเข้าคอสนี้หลายคนเนี่ยมาเข้าคอสนี้เพราะว่าแม่ป่วยเป็นมเะเร็งพ่อกำลังจะตายครับถ้าเราอย่างที่ชาวบ้านหรืออย่างเราเร า, เราคิดได้อเออพ่อแม่จะตายนะครับพระอาจารย์เปิดทำมาให้ฟังแต่ทั้งชีวิตไม่เคยฟังเลย เปิดทําให้ฟังเอามารับพระมารับสังฆทานอย่างงี้ไม่สงบไแล้วที่เครียดตายเลยเพราะว่าไม่เคยฟังทํามบางคนเมีความสุขไม่ดีกับวัดครับางคนรู้สึกแปลกแยกกับบทสวดมนต์เวลาฟังบทสวดมนต์ก็นึกถึงความตายนึกถึงงานศพอทำไม่พร้อมเลยเหมือนไปแช่งนะแต่ที่จริงเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่ชวนให้เขานึกถึงความดีครับผมสิ่งที่เขาภาคภูมิใจในชีวิตนะคนเราเนี่ยพอนึกถึงความดี นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทําใจก็ดีนึกถึงสิ่งที่เขาได้ภาคภูมิใจเนี่ยครับมันทว่าเกิดความปิติครับแล้วความปิติเนี่ยมันสู้ความกลัวได้มันสู้ความเจ็บปวดได้ครับหลายคนเนี่ยปวดทรมานเนี่ยพอมีคนมาพูดถึงความดีของเขามีคนมาพูดถึงว่าเขาซาบซึ้งใจในความดีที่เขาที่คนไข้ได้ทํากับเขายังไงบ้างคนไข้รู้สึกดีขึ้นความปวดลดลงลงนะยิ่งถ้าเขามีพื้นในเรื่องการทําบุญ มีศรัทธาในพระรัตนตรัยมีศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอพูดให้เขานึกถึงเนี่ยเขาจะเกิดความอีกเกิดความปิติครับผมแล้วเราเรตัวอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องมีสูตรสาเร็จว่าจะต้องไปเอาพระมาสวดมนต์ต้องมาฟังเทศฟังเสียงสวดมนต์หรือว่าสังกัดธรรมไม่เป็นครับมันดีนะที่ทำนี่ดีแต่ว่าต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานก่อนนะต้นทางที่ถูกต้องนะรวมทั้งช่วยเขาปล่อยวางแนะนําให้เขาปล่อยวางครับ เมื่อเร็วๆนี้ก็มีอมีคนไข้คนนึกกงกำลังจะตายอัตมาไปเยี่ยมไม่ได้อัตมาไปเยี่ยมก่อนแล้วทิดหนึ่งแต่ว่าตอนจะใกล้ตายเนี่ยอัตมาไม่อยู่่อยูครับหลานก็ช่วยนําทางอาที่กำลังจะตายนะก็ทําอย่างที่อัตมาแนะนําเนี่ยนะก็ช่วยข้อกับอาเนี่ยไปสงบไนะอย่างสงบ เป็นประโยชน์มากราา ต, รตรงจุดนี้โอ้โหวิวนาทีสุดท้ายนี้สําคัญมากสำคัญมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมันคนเราเนี่ยความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายนะครับความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายถ้าว่าทําให้ความกลัวตายนี้ลดลงเช่นนึกถึงพระรัตนตรยัยนึกถึงความดีที่เราได้ทำํำ ร, รวมทั้งปล่อยวางโดยเฉพาะคนเรากลัวตายเนื่องจากไปยึดเอาไว้ไม่กลัวไม่กล้าสูญเสียไม่ยอมสูญเสียค แต่พอใจมันยอมเมือจะปล่อยก็ปล่อยจะวางก็วางบ้านมันกังยับพังแล้วไปหวงแหนบ้านทําไมปล่อยทุกอย่างครับนะก็จะช่วยได้เบาเลยพอปล่อยพอพร้อมจะปล่อยวางนะความตายมันก็ไม่น่ากลัวแล้วมันจะมีอยู่อย่างเดียวที่หลายคนอาจจะกลัวคือความทุกข์ความเจ็บปวดทุกขเวทนาใช่ไหมอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าใจเราฝึกไว้ดีนะโดยเฉพาะถ้ามีกรรมฐานเป็นพื้นนะครับหรู้จักการเจริญสตินะ ไอ้ความเจ็บปวดทางกายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวตายอย่างหนึ่งก็คือการรู้จักฝึกจิตนะให้ฝึกว่าให้รู้จักให้รู้จักสมาธิให้รู้จักเจริญสติและสติสมาธิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรารับมือกับความเจ็บปวดได้เพราะว่าโรคบางอย่างเนี่ยพอถึงตุลนึ่งแล้วยาระงับปวดเอาไม่อยู่มอฟีนเอาไม่อยู่ใช่ม ต้องยอมอย่างเดียวมอฟี่เอาไม่อยู่ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเอาอยู่ก็คือสติสมาธิแล้วก็ปัญญาหรือธรรมะแล้วเนี่ยถ้าถ้าอยากจะถ้าคิดว่าอยากตายสงบนะก็ต้องฝึกตรงนี้ด้วยกำลังตรงนี้ขึ้นมาพระอาจารย์ทําโครงการนี้มานานแล้วยังครับแล้วก็ผลตอบรับที่เกิดจากที่คนเหมือนก็ว่าพูดกลับมาเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับก็เริ่มทำจริงๆแบบทดลองนะปีสี่หกนะแล้วก็เริ่มจะลงตัวปีสี่เจ็ด แล้วคิดว่าปีปีทาสักสี่ห้าครั้งก็พอแล้วครับบอกก็ว่ามันไม่ได้ไม่ได้เยอะกว่านี้ปีนึงต้องเพิ่มเป็นสิบกว่าครั้งนะโอ้ยวันี้ช่วงที่ช่วงช่วงที่อัตมาเนี่ยพอมียังพอมีเวลาเนี่ยครับสิบหกสบเจดครั้งต่อปีอ้เยอะมากนะครับตอนนี้ก็ยังอยากจะเป็นอย่างนั้นอยู่นะหมายถึงว่าครับความต้องการนะแต่บอกอัตมาบอกว่าไม่มีเวลาแล้วเอาเลอแค่สิบสองสิบสาก็พอสิบสองนีเดือนละครั้งก็ตอนนี้ทุกวันนี้ก็เฉลี่ยเดือนละครั้งนะ จะทําน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแล้วก็มีกลุ่มหลายกลุ่มเริ่มเริ่มทํําทาแทนได้ใช่ไหมครับคนละแบบกันนะคนละคนละหลักสูตรแต่ผลเนี่ยก็เหมือนกันนะเพราะแต่ละกลุ่มนี่เขาก็มีความสามารถทักษะจุดเด่นไปคนละแบบนะให้ทุกวันนี้เนี่ยก็ก็ยังก็ยังมีการอบรมอยู่เรื่อยๆครสามวันบ้าง5้าวันบ้าง เจ็วันบ้างบางทีก็วันเดียวก็มีแบบฉบับย่อเลยอ่าฉบับย่อเนี่ยแต่ว่าก็พอให้ให้ให้ให้พอได้รู้บ้างนะพอได้รู้แล้ที่เหลือก็ไปทํากันเองแล้วพระอาจารย์ต้องเข้ากรุงเทพบ่อยไหมครับผมเห็นขวาเข้ามาวัดพระอาจารย์นี่ลึกนะครับแต่เดี๋ยวกรุงเทพนี่มาเรื่อยเลยพระอาจารย์ในสารมาเรื่ก็มีอยู่เรื่อยแต่จริงๆแล้กรุงเทพนี่น้อยนะส่วนใหญ่ เป็นกิ่นนิมนต์ต่างจังหวัดเยอะโอครับกรุงเทพเนี่ยประเดี๋ยวประเดาต่มาอยู่เวลาลงไปเนี่ยอยู่กรุงเทพไม่กี่วันหรอกส่วนใหญ่ไปต่างจังหวัด อ, อยเช่นนครสวรรค์บ้างเชียงใหม่บ้างพูเกตบ้างเพชรบุรีอย่ต้องตามกิ่นิมนต์โอ้ส่วนใหญ่แตามาจะส่วนใหญ่จะรับกิ่นนิมนต์ทางต่างจังหวัดครับมากกว่าเพราะกรุงเทพเนี่ยมีคนรับนิมนต์เยอะ อ, อืมอ่าก็อยากจะลองถามด้วยว่าเนี่ยตอนนี้คุณถ้า เ, เกิดจะตายเนี่ยนะครับคุณอยากจะตายอย่างไรผมเลยครับผมอยากอาให้ผมจินตนาการใช่ไหมครับอาจารย์มผมก็อยากนอ น, นอนตายอย่างแบบสบายๆสงบบนเตียงไงครับพระอาจารย์ถ้าเลือกได้นะครับอืมอมเอาเต็มที่เลยใส่กางเกงแพรด้วยครับพระอาจารย์ ม, มันจะได้แบบว่าไม่อัดเสื้อยืดหลุ่มๆถ้าเรากําหนดได้แล้วก็นอน นอนงายไปอย่างนี้ครับที่ไหนที่บ้านครับที่บ้านครับมีคนแวดล้อมไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีใครเลยยิ่งดีเขาคนเดียวครับต้องมีเปิดเพลงฟังไหมไม่มีแบบว่านอนธรรมดาแบบเช้าๆอะไรอย่างเนี้ยครับอถ้าเลือกได้อากาศไม่ร้อนมากโอ้นี่เรียกร้องเยอะหน่อยไครัว่าจะฝันเลยฝันเลยครับแบบว่าแล้วอย่างนี้แล้วอหลับตายไปหรือว่าหรือว่าอยู่ดีก็ปิดสซูสไปเลยอ่าผมแบบคิดว่า ค่อยๆหลับตาแล้วก็ตายไปมีเจ็บมีปวดไหมไม่มีเจ็บปวดอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบลมหายใจค่อยๆน้อยลงน้อยลงแล้วก็ตายไปเงียบไปอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นเป็นความฝันของคนจำนวนไม่น้อยเลยอ๋อเหรอครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะประเภทว่าหนึ่งอยากตายที่บ้านนะไม่ใช่ที่โรงพยาบาลอันนี้ก็แปลกนะเพราะว่าอยากตายที่บ้านนะ เตียันสบายกว่าแต่ว่าลงท้ายเนี่ยไปตายที่โรงพยาบาลตนั้นเลย 80% ไปโรงพยาบาลนบเราจะมาถามคนในกลุ่มนะที่บอาอารมนณ์นะ 80-90% เนี่ยขอตายที่บ้านครับแต่ถามว่าแล้วจริงๆเนี่ยคนเราไปตายที่ไหนกันในเมืองอยู่โรงพยาบาลนั่นแ้ลงบาลนอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะน่าคิดว่าทำไมมันจึงไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการครับแล้วคุณบอกว่าอย่าให้หลับตายไปเลยตายแบบไม่ปวดครับตายท่ามกลางญาติพี่น้องตายท่ามกลางคนรักครับนะ ส่วนใหญ่จะมาในแนวนี้<ฮ>ะนะซึ่งถ้าจะพูดแล้วเนี่ยเรื่องการตายดีเนี่ยมันจะมีอยู่สามประเภทนะตามทัศนาของคนทั้งหลายแล้วก็ในพุทธศาสนาเนี่ย <ฮะ S 2> หนึ่งตายดีทางกายภาพ <ฮะ S 2> ก็คือว่าไม่เจ็บไม่ปวดหลับตาย<ฮ>ะนะแล้วก็ศพสวยนะศพสวยนะไม่ใช่อุบัติเหตนะุอันนี้ประเภทการตายดีโดยเน้นเรื่องกายภาพ<ฮ>ะนะ สองการตายดีในเชิงสมรติภาพก็คือว่าตายท่ามกลางคนรักตายโดยที่ไม่สร้างผลลัให้กับลูกหลานตายยังมีประโยชน์ต่อแผ่นดินหรือว่าอาจจะตายแล้วเนี่ยทําให้เกิดต่อชีวิตของคนขึ้นมาช่วยต่อชีวิตคนเช่นเออเอาเอาหัวใจเอาอวัยวะไปไปต่อชีวิตคนที่กำลังตายอ่าอันนี้เรือการตายดีเชิงสมรติภาพแต่ในทางพุธศาสนาในตายดีเนี่ยเกื่อนที่สามก็คือการตายดี ในเชิงจิตใจหมายความว่าใจสงบปล่อยวางจะตายที่ไหนก็ได้แม้กระทั่งตายข้างถนนก็ยังได้ครับนะครับแต่ขอใจสงบปล่อยวางครับนะเจ็บปวยก็ได้แต่ว่าใจเนี่ยนะสงบเอไม่กระเพื่อมเพราะความเพราะความเจ็บนั้นครับผมนะอันเนี้ยซึ่งอาจจะต่างจากความเข้าใจคนส่วนใหญ่ว่านะว่า จะตายดีมันต้องไม่เจ็บนะครับคือสําคัญอยู่ที่ใจนะครับจะตายที่ไหนเวลาใดด้วยสาเหตุใดเนี่ยไม่สําคัญถ้ากิดว่าใจสงบไหมเพราะคนที่หลับตายไปเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาตายสงบหรือเปล่านะจริงครับเพราะว่าตอนที่เขาก่อนที่เขาจะตายเขาอาจะช็อกครับเขาอาจจะเจ็บปวดอาจจะไม่ยอมนะะแล้วก็ตายเสร็จเนี่ยหัวใจหยุดเต้นจิตยังมันรับรู้ได้นะ ก็เกิดความตกใจว่าฉันตายไปแล้วหรือเนี่ยแล้วลูกล่ะนะแล้วสามีเนี่ยแล้วภรรยาแล้วแล้วพ่อแม่ครัับกลลวเยมันมีนักคนเพศเนี่ยประเภทว่าเอ่อย่างมีเรื่องเล่าว่ามีคุณปู่คนเนี่ยแกแกสิบปนะแล้วแกจีปัญหาเรื่องหัวใจแกก็ไปผ่ากลัวรอดนะไปพักฟื้นที่บ้านครสามวันทนะ้แกก็หลับตายก็ดูมนเหมือนตายดี แต่ปรกว่าแกไปเข้าร่างของคนข้างบ้านออันนี้จริงไม่จริงนะถ้าจริงก็เปนน่าใจคร่ำครวญเสียใจว่ายังไม่ได้สั่งเสียลูกหลานเลยแปดสิบ <c ười> แล้วนะควรจะสั่งเสียตั้งแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณควรจะสั่งเสียตั้งอายุเจ็สิบแล้วนะเตรียมกานไว้ก่อนคืออย่างเงี้ยคือเนี่ยเขาตายแบบหลับตายไงดูเหมือนดีนะครับแต่ว่าจิตใจยังหวงภายนอกเหมือนดีคืออย่าไปคิดว่าพอตายปุ๊บเนี่ยมันปิดสวิตช์นะจิตมันยังรับรู้ได้ในทางพุทธศาสนาเนี่ย หัวใจหยุดเต้นยังไม่เรียกว่าตายสนิทจิตมันยังไม่แตกดับอย่างสิ้นเชิงจิตมันยังรับรู้ได้แล้วเกิดไปรับรู้ว่าพี่ฉันตายไปแล้วหรือเนี่ยยังไม่ได้สังเสษ่ลูกหลานแล้วพ่อแม่ใครจะเลี้ยงดูเกิดความห่วงกังวลอย่างเงี้ยเรียกว่าตายไม่ดีเพราะยังมีห่วงยังมีกังวลนะหรือวางทีโกรธแค้นบางทีหัวใจวายตายไม่ต้องเจ็บปวดนะแต่ว่าโกรธแค้นชะตากรรมว่าทำไมฉัน ยังพึ่งอายุแค่นี้เองมาตายแล้วหรือเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีกันครับเพราะว่าถ้าจิตไม่เป็นกุศลก็ไม่สามารถจะไปสุคติได้ก็จะไปแต่ทุคติไปดีคือว่าสุคติไงภาษาไทยแปลสุคติก็ไปดีไปดีใช่ไหมแต่ตายดีเนี่ยมีความหมายรวมถึงว่าก่อนตายไม่ทุรนทุราย เจ็บปวดแต่ไม่ทุเลงทุลายนี่ทําได้นะครับนะเจ็บปวดแต่ไม่ทุเลงทุรายทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกายทุกทรมานเป็นเรื่องของใจเราจามาเจอเจอมาเยอะเลยนะคนที่เขามีความเจ็บปวดนะแต่ใจก็สงบดังนะนั้นเนี่ยถ้ากับว่าเราเนี่ยฝึกจิตไว้ดีเนี่ยแม้ว่ามันจะเจบ็บจะปวดนะแต่ใจไม่ถูกเผยเผยเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยสามารถจะเป็นอุปกรณ์ ที่ทำให้บรรลุธรรมได้ในสา<ม>พุทธการมีภาพหลายรูปเลยนะครับมีหลายท่านที่ท่านเจ็บปวดก่อนตายนะเจ็บปวดเพราะถูกเสือกัดเจ็บ<อ>เจ็บปวดเพราะถูกไฟครอบตายหรือว่าโรคร้ายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยท่านบรรลุธรรมอาศัยความเจ็บปวดเป็นใช่ อ, อาศัยความเจ็บปวดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมะท่านสามารถจะเห็นธรรมะจากความเจ็บปวดจากทุกขเวทนาครับเห็นว่าสังขารเนี่ยมันเป็นทุก มันไม่น่ายึดถือครับจิตก็ปล่อยวางเพราะงั้นความเจ็ปวดเนี่ยใช้ฮห้เป็นเนี่ยครับมันก็ดีประโยชน์ทุกเนี่ยถึงครูเจ้าตึงบอทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ต้องกําหนดรู้เพราะถ้ารู้แล้วเนี่ยมันจะละทุกข์ได้หลวงพ่อคเคี้ยวนี่หลวงพ่ออรมาตย์ตบอกเลยนะเมื่อเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์แต่ส่วนใหญ่ไม่ไปเจอทุกข์ไม่เห็นนะเป็นเลยไม่ทันเห็นทุกข์เนี่ย หมายถึงทุกทางใจก็ดีหรือทุกที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆรอบตัวก็ดีเนี่ยถ้าเห็นเมื่อไ ร, รและเข้าใจมันมันก็จะพ้นทุกได้ดังั้นอย่าไปกลัวทุ ก, ก, ทกนะอยู่ที่ว่าเราจะใช้ทุกอย่างไรเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรถ้าเกี่ยวข้องถูกครับมีประโยชน์ก็ใช้ต้งใช้สติปัญญาแยกแยะเอาใช้ให้เป็นประโยชน์ตรงนี้มีหรือไ ม, ม, ม่เอาไม่มี <c oughs> อ, อที่บอกว่าปล่อยวางก่อนที่จะตีนี่กี่วันคะที่ว่าสามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วก็ที่ว่ายังไม่ให้จัดการกับเครื่องจบอ๋อนี่มันหมายถึงว่าเมื่อหัวใจหยุดเต้นแล้วใช่ไหมหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยจริงๆถ้าถ้าเป็นแบบทางที่เบนนะเขาจะปล่อยไว้สามวันนะ แต่ว่าเขามีเหตุผลเพราะว่าทางที่เบนเนี่ยวิปัสสนาจารย์เนี่ยเขารู้วิธีในการที่จะประคองจิตให้อยู่ในภาว ะ, ะแสงกระจารระ่างเพราะแสงกระจ่างคือภาวะที่เป็นภาวะสุดท้ายมันดับเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อ น, นั้นและในภาวะแสงกระจ่างที่ประคองจิตเนี่โอกาสที่จะบรรลุ ธ, ธรรมมีพูดง่ายคือว่าให้เวลาปล่อยเวลาสาวันเพื่อให้ให้ให้ผู้ตายซึ่งยังไม่ตายเนี่นะได้พิจารณาธรรมเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่จะตายจริงๆ แต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยนะหรือสำหรับทางมหายาไอ้ทางมหาอ่ทางเถรวาดเนี่ยของเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้มีกำหนดนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราปล่อยไว้สองสองชั่วโมงแล้วก็ฉีดยาแต่ก็มีหลายเคสนะที่พอไม่ฉีดยาเนี่ยหรือเกือบจะฉีดยาแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมาฟื้นอฟื้นขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ย จะมีกรณีหลายกรณีที่ฟื้นมาขาดที่อยู่ในโรงใช่ไหมบางทีพระยังไม่ทันจะมามาลดน้ํามาสวดเลยฟื้นแล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีไม่ค่อยมีข่าวแบบนี้เพราะว่าสองชั่วโมงก็ฉีดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีหลายแห่งนะหลายกรณี เ, เขาไม่ไม่ฉีดหรือเขาจะรอไว้ก่อนนะไม่ใช่เพราะว่าคิดว่าจะฟื้นเท่านั้นแต่คิดว่าเป็นโอกาสที่ให้ให้ เป็นโอกาสที่จะน้อมนำจิตของผู้ตายให้เป็นให้ไปสู่สุคติเพราะว่าการที่หัวใจหยุดเต้นไม่หายใจในทางพุทธศาสนาไม่ได้แปลว่าตายแล้วเพราะว่าการตายประกอบด้วยของสองส่วนคือการตายทางกายกับการแตกดับทางจิตหัวใจหยุดเต้นเนี่ยสมองตายเนี่ยก็คือว่าการตายทางกายแต่ว่าจิตเนี่ ย, ยจะแตกดับเนี่ยหลังจากนั้น ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่อาจจะครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอาจจะสามวั น, นใช่ไหมในช่วงนั้นเป็นโอกาสที่เราจะพูดนําทางผู้ใกล้ตายให้ปล่อยวาง น, นะเพื่อใ้เขานึกถึงความดีที่เขาได้ทำได้ไปสู่สุคตินะมันมีมันมีตัวอย่างของคนที่ อ, อตายไปแล้วทางกายเนี่ยบอกว่าจิตยังทํางานอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา อาตมาก็แ น, นะนํำลูกหลานเนี่ยเวลาคนไข้ก็ตายเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งไปรีบทําอะไรคนเช่าการนี่พูดคุยกับเขาแนะนําให้เขาหนึ่งถึงพระรัต น, น์กลายนำใจให้ปล่อยวางนะแล้วก็จะปฏิบัติทํามกับเขาสักเช่นถ้าตายกลางคืนเนี่ยก็ปฏิบัติทั้งคืนอตอนเช้าค่อยค่อยมาจัดการศพอะไรเงี้ยนะต้อเว้นเวลาไว้หน่อย เพิ่งรีบฉีด <aujourd increasingly, S 1> อ่าฉ <Pur> ีดเท้าจบเลยอเพราะเนี่ยมันยังมีมีมีมีมีเพื่อนของเพื่อนนะครับแกแกตายตอนที่แกยังคือแกหัวใจกหยุดเต้นเน่ตอนแกอายุประมาณสักแปดเก้าขวบหรือสิบขวบเนี่ยอแล้วก็ไปไว้เอาศพไปไว้ที่ที่ห้องเนยดับจินเนี่ยแล้วก็เลื่อนจะฉีดเกือบจะฉีดอยู่แล้วเนี่ยนะเข็มมาถูกตัวเนี่ยเท้ากระดิกเลย บอกว่าฟื้นขึ้มาฟื้นขึ้นมาตอนนี้ยังตอนนี้ยังยังอยู่เลยยังอยู่มีอีกรลย์นึงนะที่นนี้ี่ประเทศไปในซูเอล่านนะครับประสอุบัติเหตุตายก็ไปผ่าที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลออโตซีนะหมอเนี่ยกรีดหน้าผากเนี่ยคนคนตายเนี่ยร้องเลยร้องเลยยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้โหเนี่ย ไอ้แบบนี้มีเยอะนะมันมีข่าวมาเรื่อยเรื่อยนะยิ่งประเทศจีนเนี่ยนะซึ่งเขาไม่ฉีดศพไม่ฉีดยากัน <Okay. S 1> นะบางทีศพเนี่ยจะเอาเอาเข้าไปในเอาเข้าไปในห่วงซุยนะมีะเสียงเสียงคล้ อ, อลงอะไรต้อง อ, ออกมามันเป็นไปได้นะรอาจารย์ตรงนี้บางทีอย่างที่อาจารย์ว่าจิตยังไม่ดับร่างกายมันแค่หยุดไปชั่วคราวหยุดชั่วคราวถ้าจริตยไม่ออกจากล่ามมันก็สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้ถ้าร่างกายมันพร้อมครับ อันไหนถ้ในโรงพยาบาลก็ส่วนใหญ่เนาะไม่ไม่แน่ถ้าโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลหลายแห่งนะเขามีเขามีแผนกดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเนี่ยเขาจะไม่เน้เรื่องการยื้อชีวิตแต่เขาจะเน้นให้ ลดความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานในขะที่ยังมีชีวิตอยู่และช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดจนกว่าจะตายนะซึ่งแตกต่างจากการแพทย์แผน ป, ปัจจุบันส่วนใหญ่ที่ในเรื่องยืดแล้วคุณภาพชีวิตไม่ได้ดีขึ้นนะแล้วก็พบว่าในในอเมริกาที่เขาวิจัยเพราะว่าอายุช่วยเนี่ยนะ นอกจากสิ้นเปลืองเงินทองแล้วเนี่ยคนไข้ก็ปวดทุกข์ทรมานพอตายเนี่ยลูกหลานเนี่ยหรือญาติเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าญาติของผู้ป่วยที่รับการแพทย์แบบประคับประคองเนี่ยสามเท่านะเขาก็เห็นคนไข้ในหัแบบทรมานเนจาะคอใส่ท่อใช่ไ ห, ไหมคนไข้ส่งแววตาบอกปล่อยฉัน<อ>ไปเถ<พ>อะ <พอ S 2> ปล่อยใช่ไหมเธอพูดไม่ออกพูดไม่ได้เลย ในกาที่การแพทย์มาเข้ประ ค, คองเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายแห่งในโรงพยาบาลนะเขาเขาไม่ไม่ทำนี้แล้วครับไม่เจาะเอไม่ใส่ท่อเขาเพียงแต่ช่วยลดความเจ็บความปวดหายใจหอบก็ให้มอร์ฟินหน่อยใช่ไหมแล้วก็มีคนมาพูดให้ลูกหลานให้ญาติมามามีมีปฏิสัมพันธ์กับคนไข้ซึ่งทําได้ยากถ้าอยู่ในไอซใช่ไหมแต่ให้ลูกหลานมาคุยมีปฏสัมพันธ์คนไข้ก็บางทีเห็นลูกหลานบางทีเห็นหมาเห็นเห็นเด็ก ก็มีความสุขชื่นขึ้นมาอายุอาจจะอาจจะอาจจะอาจจะตายอาจจะตายเร็วกว่าพวกที่ยื้อแต่มันก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นะก็แค่สองาทิตย์หรือสองเดือนนั่นแหละระหว่างที่อายุมีอายุยืไปนะครับอายุยืนไปสองสมเดือนแต่ทรมานทุกชั่วโมงเนี่ยกับพระเพร่ว่าอายุสั้นอายุสั้นกว่ากว่าที่การยื้อหน่อยแต่ว่ามีความสุขเนะครับ อะไรเราจะเอาอะไรสั้นดีกว่าพ่อานจริงจริงมันจริงจริมันก็ไม่สั้นเท่าไหร่นะเพราะว่าคนที่คนใหญ่ก็ยืนเจ็ดสิบแปดสิบแล้วปลายปล้วยออใหญ่ต้องตายอยู่ดีอ่อครับเดี๋ยวนี่โรงพยาบาลเขาเขาทำได้เขาทำได้หลายแห่งนะเขาแต่แบบนี้จะไม่ค่อยเจอในโรงพยาบาลกชนนะโรงพยาบาลกชนเขาเพราะเขาในเรื่องยื้อยาเพราะว่ายื้อแล้วมันได้กําไรไงยื้อแล้วเนี่ยรายได้ดีและส่วนใหญ่คน คนไข้หรือครอบครัวคนไข้เนี่ยก็ก็อยากจะยือหมดไปยี่สิบล้านสาสิบล้านก็ก็ยอมแต่โรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนะหลายแห่งเนี่ย<ม>เขามีแผนเนี่ยซึ่งซึ่งทำได้ดีนะส่วนใหญ่ทำได้ดีทำให้คนไข้ก็ไปสบงบพื้นามคั้สุดท้ายค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยมีพื้นฐานเรื่องเรื่องความเข้าใจตรงนี้เนะี่ยพระอาจารย์จะ แนะนำให้ให้เขามีความสบายใจที่จะมาเรื่องง่ายๆเลยเรื่อ ง, งนนความตายใช่ครับก็บพระอาจารย์ครับอย่าง<ม>คนที่เขาไม่มีความเข้าใจเรื่องของความตายแล้วยังกลัวอยู่ยังกังวลอยู่แล้วไม่กล้าเผชิญกับความตายก็ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าเราจะบอกกล่าวเขายังไงให้เข้ามาให้เข้าใจตรงนี้ครับรคือก็จะบอกเขาว่าเนี่ยอย่างที่บอกแล้กครู่ว่าความตายไม่น่ากลัว ต่อความกลัวตายนะแล้วก็ให้เขาได้เห็นว่าให้เขาได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยความตายไม่ใช่วิกฤตแต่เป็นโอกาสด้วยอืครับผมนะมันอาจจะเป็นวิกฤตทางกายคือกายแตกดับแต่ว่าเป็นโอกาสทางจิตใจใช่ครับมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยรู้จักปล่อยวางครนะที่จริงเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเราใกล้ตายเนี่ยมันทําให้เราคิดชัดขึ้นในเรื่องชีวิต สตีฟจ็อบเนี่ยนะซึ่งเขาก็ไม่ใช่เป็นคนธรรมะธรรมโมอะไรเท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกเลยรนะว่าไอ้ความตายเนี่ยมันช่วยทําให้มองอะไรชัดขึ้นช่วยทําให้จัดลําดับความสําคัญในชีวิตดีขึ้นมันมีเป้าหมายอะไรที่ไม่สําคัญก็ตัดทิ้งเพราะเนี่ยแม้กระทั่งแม้กระทั่งคนที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติธรรมเขาก็เห็นว่าการที่เรารู้ถึงความตายเนี่ยครับมันช่วยทําให้ชีวิตเราเนี่ย มันมันไปในแนวทางที่ถูกต้องหรือในทางที่ดีขึ้นนะแล้วข้อมันคือว่าเราทุกคนต้องตายครับนะในเมื่อเราต้องตายเนี่ยเราจะหันหลังให้กับมันทําไมครับเราจะหนีมันทําไมครับทําไมเราไม่คิดที่จะเตรียมพร้อมรับรู้กับมันเราเป็นมิตรกันเราเขารู้จักกันอย่างเงี้ยใช่เป็นมิตรกับความตายเนี่ยเป็นไปได้ได้แล้วเราก็เริ่มต้นจากการที่เราลองพิจารณานะว่าเออเราลองคิดถึงว่า ถ้าเกิดว่าเราจะาต้องตายนะในอีกสิบปีข้างหน้านะในอีกหนึ่งปีข้างหน้าครับนะเราพร้อมอมัรพ้อมออการที่แล้วถ้าเราเราพิจารณาความตายนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเนี่ยครับอาทิตย์ขึ้นแล้วก็อาทิตย์ตกนะใบไม้ต้นดอกไม้ที่มัน บ, บาน แล้วก็มันก็ร่วงโรยคุณลองพิจารณาแบบนี้ก็จะเห็นว่าความตายเป็นธรรมดางของชีวิตนะแล้วที่จริงพู้เจ้าเนี่ยบอกเลยนะว่าทุกขนาดเนี่ยที่มีชีวิตเนี่ยความตายมันเกิดขึ้นกับเราแล้วพู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยความตายอยู่ในชีวิตโรคมันอยู่ในความไม่มีโรคความแก่อยู่ในความหนุ่มสาว ทุกวันนี้เนี่ยเรามีเซลล์ในร่างกายตายเนี่ยประมาณห้าหมื่นถึงแสนล้านเซลล์ตายทุกวันอยู่แล้วตายทุกวันแี่เทตมาพูดมาพึ่งโมงเนีตายไปแล้วพันกว่าล้านเซลล์ใช่ไหมแต่มันตายเพื่อให้เราเพราะมันตายเราถึงมีชีวิตเราถึงมีสุขภาพดีถ้ามันไม่ตายเนี่นะเกิดเรื่องนะมันมีเซลล์ชนิดหนึ่งนะที่ไม่ยอมตายเรียกว่าเซลล์อมตะสราบไหมเซลล์นั้นคืออะไรเซลล์มะเร็ง เซลมาเร็งรือเซลอมตะถ้ามันตายนะเราอยู่เราอยู่แต่เพราะเซล์ไม่ตายเนี่ยเราเลยเราต้องตายเลยงั้นเราต้องขอบคุณความตายที่เกิดขึ้นกับเราทุกขณะเพราะเซลล์ในร่างกายมันตายเราจึงมีชีวิตเราจะมีสุขภาพดีเพราะไอ้ที่ตายเนี่ยก็คือเซลลที่ไม่มีคุณภาพเซลล์ที่แก่ใช่ไหมไอ้ที่ไม่ตายนี่เลยคือปัญหาน่ากลัวเออ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเนี่ยความตายเป็นธรรมกางชีวิตและความตายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ครนะไม่ต้องกลัวอาจารย์พุทธ่าบอกเลยนะว่าตอนจะตายเนี่ยคือนาทีทองนาทีทองไม่ใช่ไอตอนม n i g h t ์เ l ลแจกไอโฟนใช่ไลดราคา 90% ยเกาอรน์ไอทองคือตอนที่กาลังจะตายนี่แหละคือนาทีทองอย่าไปกลัวความตายมันมีเนื้อสาคันนะชื่อมาริโคลีู่้ไว้ดี เขาบอกว่าในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอันนี้ดีเมื่อเข้าใจแล้วก็หายกลัวความตายที่เรากลัวเพราะเราไม่เข้าใจมันไม่รู้จักมันรู้จักมันเมื่อไหร่รู้จักมันอย่างท่องแท้รอบด้านเราจะไม่กลัวกรับก็จะเป็นมีความตายนี่เพือฟังพระอาจารย์พูดถึงเรื่องความตายอย่างเนี้ยยังรู้สึกสบายใจเลยครับคือคือเหมือนกับว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าคอร์สหรืออะไรแต่ฟังแล้วเออ ก็จริงมันก็คิดตามไปว่าเพราะเราไม่กล้าคิดไม่กล้ามองแบบหันหลังให้ ม, มันก็เลยเหมือนกับอยู่ในมุมมุมมืดแต่พอเหมือนกับเดินเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยสุดท้ายต้องตายมันก็เลยกลายตายแบบหวาดกลัวแล้วก็คิดไปเองว่ามันจะต้องเลวลายดีครับอาจารย์ทาใจให้คุ้นกับมันนะครับแล้วความกลัวก็จะลดลงครับหมดแล้วครับหมดแล้ว เย้เย <Yeah. laughs> ู่นี่นึงสงชั่วโมงเลย <laughs>